ได้แก่เวทนาขันที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกมีเพียงวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีเวทนาขันหมวดละสิบมีด้วย อ, อาการอย่างนี้48เวทนาขันหมวดละหนึ่งได้แก่เวทนาขันที่สัมปยุทธ์ ด, ด้วยผัสสะเวทนาขันหมวดละสองได้แก่เวทนาขันที่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มี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 ได้แก่เวทนาขันที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติก็มีที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานก็มีเวทนาขันหมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้ห้าสิบเอเวทนาขันหมวดละหนึ่งได้แก่เวทนาขันที่สัมปยุตได้วยผัสสะเวทนาขันหมวดละสอง ได้แก่เวทนาขันที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีเวทนาขันหมวดละสได้แก่เวทนาขันที่เป็นของเสกบุคคลก็มีที่เป็นของอเสกบุคคลก็มีที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลก็มีเวทนาขันหมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้5้บสเวทนาขันหมวดละหนึ่ง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 ได้แก่เวทนาขันที่เป็นช <Ok. S 2> ั <goodbye S 2> ้นต่ำก็มีที่เป็นชั้นกลางก็มีที่เป็นชั้นประนีตก็มีเวทนาขันหมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้ห้เวทนาขันหมวดละหนึ่งได้แก่เวทนาขันที่สัมปยุทธ์ด้วยผัสสะเวทนาขันหมวดละสองได้แก่เวทนาขันที่สัมปยุทธ์ด้วยคันทะก็มี